ใจเลื่อนลอยไปอย่างพระนครสาวัถีสู่ปราสาทของลีลาวดาีสภาพรอบตัวเวลานี้เช่งคล้ายคลึงกับคืนที่พบกับลีลาวดีเป็นครั้งแรกริมฝั่งสะในสวนหลังคฤหัสถ์สายลมเย็นโชยมาดอกสาละร่วงพรูลงสู่พื้นดินติดขึ้นมาสูดดม คิดถึงลีลาวดีถ้าเธอมาหาแล้วนั่งคุยกันท่ามกลางธรรมชาติเช่นนี้คงจะมีความสุขที่สุดในชีวิตแต่ว่าลีลาวดีจะมาหาได้ยังไงแม้ว่านีเธอมาไม่ได้บอกให้รู้ซ้ำยังทรยศต่อเธอไม่ได้กลับไปบอกข้อตกลงใจให้เธอรู้ภายในสามวัน ป่านนี้เธอคงจะนอนเป็นทุกข์อยู่ในครือข่าบางทีเธออาจกำลังด่าอยู่ก็ได้คิดแล้วก็น่าเห็นใจไม่ไหวแล้วแต่คือยังนั่งอยู่ที่นี่เห็นที่จะตกเป็นทาสของความรักเข้าไปนั่งในกตินั่งทำสมาธิระงับจิตใจดีกว่า กระตูแล้วนั่งทำสมาธิระงับจิตใจแต่ขณะที่จิตกำลังก้าสู่ความแน่ว แ, แ, แน่แห่งอารมณ์เดียวนั้นท่านใดท่านเจ้าคะท่านคะเขาสะดุ้งตืงต่นจากพะวงเงี่ยหูฟังด้วยใจอันระทึกแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปใครน้อมาร้องเรียกในยามค่ำคืน บางทีอาจจะเป็นผีสานางไม้มาทดลองใจเราันท่านคะท่านเสียงดันเรียกมาอีกเยือกเย็นจับขัอใจรู้สึกตื่นเต้นอย่างประหลาดบางทีอาจจะเป็นลิลาวดีแต่เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะมาหาในยามข้ามคืนถึงที่นี้เอาละไม่ว่าผีหรือคน ก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงเปิดประตูออกไปดูสะเดี๋ยวนี้เลยท่านเปิดประตูแล้วลีลาวดีเธอหรอเนี่ยลีลาวดีถูกแล้ว ดิฉันเองลีลาวดีเธอมาที่นี่ได้ยังไงมากับใครดิฉันมาคนเดียวคนเดียวเธอรู้ได้ยังไงว่าจะมาอยู่ที่นี่ดิฉันดอฟังคําตอบของท่านด้วยความกรธกบายใจจนครบสามวันเมื่อไม่เห็นท่านกลับไปบอกดิฉันจึงตามไปที่ประเชตวาารามแต่ไม่พบท่าน ดิฉันไปนเที่ยวตระเวนถามพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าในวัดถ้าทุกองค์แต่ไม่มีองค์ใดบอกว่าท่านไปไหนจนเมื่อเร็วๆนี้นางทาสีคนหนึ่งไปบอกว่าพบท่านที่บุพพารา ม, น า, ามานางทาสีพบอาตมานางทาสีบอกดิฉันเรื่องยืนยันว่าเขาจําได้ว่าเป็นท่านแน่นหอนดิฉันจึงให้เขาพามาในคืนนี้ทาสีมาด้วยเหรอเนี่ยมาค่ะทาสีมันี่เถอะ นี่ไงนางข่าสีที่ไปบอกดิชั่นดีใจเหลือเกินที่ดีลาวดีตามมาเยี่ยมอาตมาจนถึงที่นี่แต่เธอน่าจะมาในตอนกลางวันมาในยามค่าคืนเช่นนี้รู้สึกไม่เหมาะเลยดิชั่นเปลิดตัวมาหาท่านได้นม้ว่าเป็นโชคอันประเสริฐอยู่แล้วทำไมเหรอดีลาวดีท่านคงไม่ทราบหรอกว่าเวลานี้ดิชั่นมีอะไรดีลาวดี ดิฉันกำลังอยู่ในสภาพที่ไม่ดีค่ะมีอะไรผิดปกติเหรอมีค่ะท่านจะฟังไหมคะฟังสิเล่าไปเลยลีลาบดีอัตมา จ, จะฟังเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะ เครั้งใหญ่ได้ถูกจกัดให้มีขึ้นในพระนครสาวัตถีเป็นงานประจำปีที่สนุกสนานที่สุดชาวกรุงสาวัตถีพากันหยุดงานเจ็วันและพากันเล่นมหาสดทุกชนิดทั้งกลางวันและกลางคืนประชาชนทุกเพศทุกวรรณะต่างพากันแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแกร่คันสวยงามแล้วต่างก็มุ่งไปสู่แม่น้ำอจิรวดีเพื่อสงสนารนบ้าง ไปสวบุญยสถานต่างเพื่อบูชาเทพเจ้าบ้างเพื่อแม่ครสาวธีตลอดทั้งเจบวันกระทึกกรกุกกล้องด้วยเสียงดนตรีเพลงขับและเสียงโห่เร้งด้วยความสนุกสนานของประชาชนทุกคนทุกแขงเป็นไปด้วยชว่อดอกไม้และธงผีละครหลวงของโกสนร์ในยามนั้นมีสภาพไม่แตกต่างอะไรกับดาวดงที่พบของท้าวมาขวาน น้นสซึมประตูเทวาลายแห่งหนึ่งเป็นที่ประกอบบุญญาพิธีของคุณขั้นสูงชายหนึ่งกลุ่มหนึ่งกำลังยืนโดยสูงชนที่ผ่านเข้าผ่านออกอย่างเอาเมซายในกลุ่มชายหนึ่งนั้นมีสววรนณ ส, สุมาลอดชายแห่งเป็นและขะห บ, บดีรวมอยู่ด้วยเข้าพ้นสำเร็จการศึกษาเสรปศาสตร์มาจากเมืองปากกาศิลาหลังจากไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหลายปี พอมาถึงกรุงสาวัตถีพอดีมีเงานนักสัตว์เลิก่อยถือพวงมลัยเกปุซุมมาไว้ในมือทิ้งเดียวกับสหายของเขาคอยกว่าใจายตาดูผู้สาวสาวที่ผ่านไปมาว่ามีใครบ้างควรจะได้รับพวงมาลัย ยังคอยยังาแข็งแล้วเนี่ยจะไม่พบคนที่ต้องใจสักค น, นคงจะหมายถึงหญิงสาวหรสิใช่ไหมสวุวรรณก็เราถือพรมอะไรคอยหญิงสาวอยู่ไม่ใช่เลยอรู้อยู่แล้วไม่น่าจะถามเลยเนี่ยใช่ไหม <c oughs> รู้สึ ก, กว่าสหายอารมณ์จะหงุดหงิดไม่น้อยเลยนะจะไม่ให้หงุดหงิดได้ยังไงแล้วจนป่านนี้แล้วยังไม่เห็นสาวสวยที่ต้องใจสักคนใจเย็นๆนะสหายจะให้เย็นไป้งยงไหนี่สาวจใจเย็นมาจนเกือบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วเห็นทีละครสาววัตถีจะไม่มีสาวสวยต้องมีแน่นะก็แล้วไหน ก็นายยังไม่มาให้สหายเห็นนะสิแล้วเมื่ อ, อไรจะมาให้เห็นสักทีสหายได้เห็นดีๆแล้วบางสวยจริงๆไม่นะสาวสวยที่สหายว่า<ฮ>นั่นน่ะกําลังจะเดินเข้าไปในถิวาลายใชยจริงรู้สหายโอย้สหายเอ้ยหลังจากส่ะแสวงหามาชา้านาก็ได้พบหญิงในอารมณติดฤฤสมประสงค์แล้วบอกกันหน่อยเถอะว่าแม่ทอมโสมพักเรื่อยๆใครเป็นลูกหลานว่านเครือใครเขา่าจะบอกไม่ได้หรอก เพราะว่าเพราะอะไระก็ข้าพเจําไม่รู้จ um> uh. ักนางอาข้าพเจ้ารู้จักนะอทหารรู้จักแล้วบอกสินางคือใครอ่ะเธอชื่อลีลาวดีลีลาวดีถูกแล้วเธอชื่อลีลาวดีเป็นลูกสาวคนสุดท้องของสมังขระเคลือหบดีแต่เวลาเนี้บิดามเธอตายไปแล้ว ยังเหลือเธอกับแม่เท่านั้นรวยซะด้วยสิถ้าใครได้เป็นคู่ครองนะนั่นก็โชคดีที่สุดเลยสวัสดีชื่อพอซะด้วยไปเขาบอกตามตรงเนะเวลาเนี้ยกันต้องสอนกรรมมาเทศจะร่างสาหขอให้กันมอบภูมิลานี้แกเธอเถอะนะกันก็ตั้งใจจะมามอบภูมิลาให้เธอเหมือนกันกันขอไม่ได้หรือไงอ่ะเอาเถอะเมื่อสายขอกันก็ยกให้แต่เห็นจะต้องรอจนกว่านางจะออกมา ไม่รู้ว่าจอบเอมื่อไหร่อาจจะน้นก็ได้นานแค่ไหนจะรอ้อนนานแล้วนะเนี่ยลีลาวดีเข้าไปในเทวะไร ต้นป่านี้ยังไม่ออกมาอีกสหายฮสว่าจะรอต่อไปอีกเบลอต้องรอถึงจะนานแค่ไหนก็จะรอถ้ายังไงเธอก็ต้องออกมาแต่ว่าให้ตายสิเวลาแต่ละทีที่ผ่านไปดูเหมือนานานเป็นปีนปนทีเดียวสายชอบนานจริงเหรอดินเซ่ ท, ทันทีได้เห็นหน้าก็ชอบนะอ๋อแน่ธอออกไปแล้วแล้วคนที่เดินเคียงข้างอ่ะใครกันนะ่ะแม่ของเธอที่เดินตามหลังบริวารสายฮจะทำไงต่อไป เราโอกาสเหมาะสักหน่อยแล้วเราจะมอบภูมอะไรนี้นนนให้กับเธอนเพื่อผ่านซุ้มประตกไปแล้วส่งภูมิลาเธอเลยสิจะส่งให้กับเธอเดี๋ยวนี้ขอได้โปรดรับภูมิลาเลยย้ายมือสั่นที่มันสั่นเองพยายามขับใจหน่อยเขาไม่ยอมรับภูมิลาเหรอ ครับฟูมาลายสิลีลาวดีลูกไม่รับหรอกแม่อ้าวทำไมไม่รับล่ะลูกลูก ไ, ไม่อยากรับไปกันเถอะแม่เดี๋ยวก่อนลีลาวดีอ่ะส่งฟูมาะไรมาให้เถอะฉันรับไว้เองแม่ไปกันเถ อ, อะ ไ, ไ, ไม่รับฟูมาลายไว้ทําไมลูกไม่รับแม่ก็ต้องรับแทนอย่าเพิ่งซักถามอะไรเลยไปกันเถอะ เธอไม่รับพรมอะไรแต่ว่าเธอไม่อะไรใหญ่ดีไม่ปราดหนจะเป็นมิตรกับฉันเนี่ยอย่าเสียใจไปเลยหน้าเพื่อนถึงเธอจะไม่รับเองแม่ของเอก็รับแทนแล้วผลก็มันก็เท่ากันผลเท่ากันเหรออืถูกแล้วแม่รับก็เหมือนลูกรับธรรมดาหญิงสาวก็ย่อมสุขทานขวยอายไม่กล้ารับจากมือชายหนุ่มทั้งที่ใจอยากจะรับแล้วนี่จะไปเที่ยไหนต่อเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านน่ะก็ไหนว่าจะเที่ยวสนุกทั้งวันทั้งคืนไงตอนนี้การินกระใจจะเที่ยวอีกแล้ว กลับบ้านดีกว่าทหาอยากเที่ยวก็เที่ยวไปนไปฮะไม่ต้องไปห่วงกันหรอกกันขอกลับบ้านคนเดียวก็ได้่ันอย่างนั้นมันก็ไม่ดีมาให้่กันก็ต้องกลับด้วยกันสิอะ ก, กลับบ้านไม่หนกดแรงปะ วัาหน้าลูกพอ่อลูกเป็นอะไรไปกลับจากเที่ยวก็เข้าห้องปิดประตูไม่ยอมพูดจาอะไรกับใครลูกเป็นสบายหรือเปล่าลูกสบายดียพ่อแม่ไม่ต้องห่วงแล้วไม่ห่วงได้อย่างไงก็ลูกทํากิริยายอย่างเนี้ไม่อะไรอยู่ในใจก็บอกให้พ่อแม่รู้บ้างสิลูกลูกมีความทุกข์อยู่ในใจความทุกทุกอะไรล่ะลูกบอกมาเถอะพ่อแม่จะได้ช่วยให้เจ้าพ้นทุก พ่อแม่มีลูกคนเดียวก็อยากให้ลูกมีความสุขเมื่อลูกมีทุกข์จนดีแล้วไหนเลยพ่อแม่จะสุขใจอยู่ได้มีอะไรก็บอกมาเถอลูกพ่อแม่จะได้ช่วยกันปัดทุกข์ให้ลูกไงลูกตกหลุมรักสลามลูกตกหลุมรักลูกรักใครเธอชื่อลีลาพอดีลูกใครและลูกลูกสาวสุมคล喀ขาวพดี ลูกอยากได้เธอมาเป็นภรรยาถ้าไม่ได้ชีวิตลูกเห็นจะไม่ยืนจาต่อไปแน่เรื่องเพียงเท่านี้เองลูกไม่น่าจะเก็บไว้เป็นความทุกข์ใจบอกกับพ่อได้ตั้งแต่แรกลูกก็สบายใจไปแล้วพ่อหมายความยังไงอ่ะพ่อจะส่งคนไปสู่ขอห้ไงโอ้ขอบคุณพ่อขอบคุณแม่สบายใจได้แล้วลูกลูกสบายใจแล้ว พ่อส่งคนไปสู่ขอในลาวดีเร็วๆนะพรุ่งนี้พ่อจะส่งพรามแปดคนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประเพณีโบราณและเป็นเชื้อแถวของเราไปสู่ขอ มาจากท่านปุณณะค่ะบอดีเดชันยินดีต้อนรับพราหมณ์ไม่ทราบว่าท่านพราหมณทั้งแปดมีธุระสิ่งใดเราได้รับหมอบหมายจากท่านปุณนะให้มาสู่ขอบุตรสาวของท่านลีลาวดีเหรอคะถูกแล้วบุตรชายของท่านปุณนะชื่อสุวัฒนะมีความพึงพอใจบุตรสาวของท่านมากวันนั้นได้มอบพวงมาลัยให้แต่ท่านรับพวงมาลัยแทนไม่ใช่เหรอ อ๋อ oh, ใช่หนุ่มคนนั้นเองรูปร่างเขาสง่างามมากเช่นนะอีกทั้งคิริยามารยาทก็เรียบร้อยฐานะก็มั่งคั่งสรุปแล้วสุวัฒนะนั้เป็นคนดีมากถ้าท่านได้ไว้เป็นเขยในบ้านเห็นทีจะไม่ผิดหวัง <c oughs> ขอบคุณท่านปุณณนะที่ให้เกียรติทรงท่านทั้งแปดมาสู่ขอบุตรสาวของท่านสมควรมีเย้าเรือนได้แล้ว ควรแต่งงานซะตั้งแต่วัยเปล่งปลังเกินเลยไปกว่านี้ก็ไม่ดีท่านเห็นด้วยหรือไม่ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับที่ท่านพูดถ้าเช่นนั้นท่านคงไม่รังเกียจใช่ไหมกับการสู่ขอบุตรสาวของท่านข้าพเจ้าไม่รังเกียจเลยก็เป็นอันว่าตกลงท่านจะเรียกสินสอดทองมั่นเท่าไรก็บอกมาเออเดี๋ยวก่อนท่านาข่ามข้าพเจ้านะ่ะตกลง แต่ลูกสาวข้าพเจ้าจะตกลงหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอเวลาให้ข้าพเจ้าน่ะได้ปรึกษากับญาติและตัวลูกสาวก่อนเพราะเรื่องนี้ข้าพเจ้าตกลงใจคนเดียวไม่ได้ถ้าเช่นนั้นอีกสักวันสองวันข้าพเจ้าจะมาฟังข่าวหวังว่าคงจะได้รับข่าวดีจากท่านข้าพเจ้าก็หวังเช่นนั้นเอาล่ะเห็นจะต้องขอลาท่านสักทีอีกสองวันข้าพเจ้าจะมาเชิญท่าน แม่อยากให้เจ้านะมีสามีเป็นฝั่งเป็นฝาสัทีแต่ว่าเจ้าอย่าได้คัดค้านเลยปราบใดที่เจ้าไม่มีสามีแม่ก็นอนตาไม่หลับทําไมล่ะแม่ก็เวลานี้เราอยู่กันอย่างไร้ที่พึ่งนะสิลูกดุเรือน้อยลอยอยู่กลางทะเลทรัพย์สมบัติเรามีมากแต่ขาดผู้จัด ก, การดูแลนับวันก็แต่จะร่อยหลอลงแม่เองก็แก่แล้ว จะล้มหายตายจากไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก่อนจะตายแม่อยากจะจัดการให้เจ้านะ่ะมีหลักฐานซะก่อนเจ้าจะว่ายังไงที่เขามาสู่ขอนี่นะ่ะลูกเองก็อยากสนองความปรารถนาดีของแม่เหมือนกันแต่ว่ามีอะไรอีกละลูกชายที่จะมาเป็นลูกเขยของแม่นั่ น, นสิไม่รู้ว่าร้ายดียังไงถ้าเอาคนไม่ดีมาก็ เ, าเท่ากับ เอามาทำลายทรัพย์สมบัติของเราเปล่าๆโ อ, อ้ขอ้อนั้นลูกไม่ต้องวิตกแม่ได้ถามอย่างละเอียดแล้วเขาเป็นคนดีจริงๆพูดถึงวงตระกูลเขาก็เป็นพราหมณ์มหาศาลพูดถึงวิชาความรู้เขาก็เพิ่งสําเร็จการเรียนมาจากที่สาป่ามูกเมืองตักกศิลาแต่ว่าแม่เพียงแต่ได้ยินจากปากพรามเหล่านั้นเท่านั้นจะไม่ได้รู้จักคุ้นเคยกับตัวจริงเขาเลยเอาเถอะ ถึงยังไม่รู้จักตัวเขาดีแม่พิจารณาดูฐานะตระกูลเขาแล้วนะก็พอจะเชื่อได้ว่าเขาดีอีกอย่างหนึง่งพวกพราหมณ์ที่มาสู่ขอก็ล้วนแต่เป็นผู้ใหญ่มีคนเคารพนับถือทั่วเมืองคงจะไม่มาโกหกแม่เป็นแน่ตกลงแต่งงานกับเขานะลูกนะดูเข้าไปก่อนดีกว่าแม่ฮ <c oughs> วัดีวันนี้เห็นจะพูดกันอีกแล้วนะพูดเรื่องอะไรล่ะแม่เรื่องเมื่อวานยังไงล่ะลูกเมื่อวานยังพูดกันไม่เป็นที่ตกลงเรื่องแต่งงานใช่ไหมใช่ลูกคิดดูให้ดีนะลีลาวดีแม่รักเจ้าและสงสารเจ้าหรอกนะจิงได้ถามความสมัครใจความจริงแม่จะใช้อํานาจบังคับก็ทําได้แต่แม่ก็ไม่ทํานั่นเพราะความรัก เจ้าแหละควรจะเห็นใจแม่บ้างสิคราวนี้แหละเป็นคราวที่เจ้าจะสนองบุญคุณของแม่แต่งงานซะสนะลูกดูข้าพิก่อนเถอะแม่แม่คิดว่าไม่จําเป็นจะต้องดูอะไรอีกแล้วที่แม่ได้ยินได้ฟังมาก็นับว่าเป็นการดูพอแล้วลูกจะต้องแต่งงานกับเขานะลูกจะยังไม่แต่งขอดูข้าไปก่อนรณ์ลูกหัวนั้นไม่ฟังคําสั่งสอนของแม่ซะเลยแม่รู้ดีนะ ทำไมเจ้าถึงไม่อยากจะแต่งงานเพราะเจ้ายังรักเรวัตตะอยู่ใช่มะเจ้าจะประวิงเวลาไว้ <S <S จนกว่าเรวัตตะจะสึกนั้นหรออ่าแล้วนั่นเจ้าจะไปไหนกลับมานี่ก่อนกลับมาพูดกันให้รู้เรื่องไม่ยอมฟังเสียงเดินเร็วไปละลูกคนนี้ ไ ม, ม่หัวใจหนักขึ้นเหมือนมีก้อนหินใหญ่มาทวงมันเป็นคราวที่ต้องอเผชิญกับปัญหาชีวิตที่ทุ่งยากที่สุดลูกรักของแม่เจ้าไม่รักแม่แล้วเหรอโท่แม่ไม่น่าพูดอย่างนี้เลยแม่ไม่รักแม่แล้วจะไปรักใครที่ไหนลูกรักแม่ทำไมลูกไม่รับปากแม่อย่างดีได้เหรอเรียกว่าลูกรักแม่แม่ฟังลูกก่อนสิ อย่าเพิ่งทึ่กทักเอาอย่างนั้นท่านที่ลูยกยังไม่รับปากคาของแม่เพราะลูกกำลังคิดยังตัดสินใจไม่ได้ลูกก็รู้อยู่แล้วว่าลูรกรักเตวตะพิสุกลูกมีหัวใจเดียวเท่านั้นไม่สามารถรักใครได้อีกข้อนี้แม่ก็เห็นใจเจ้าเหมือนกันแต่เชื่อแม่เถอะความรักที่เจ้ามีต่อเรวตัตะพิสุกนะจะไม่มีวันสาเร็จทาไมจะแม่ แม่มั่นใจว่าเขาจะไม่สึกแต่ก็ไม่จะสึกนี่แม่เขาหลอกให้เจ้าคอยเปล่าละสิแม่ว่าเขาหลอกให้ลูกคอยอย่างนั้นเหรอไม่จริงเขาไม่ได้หลอกลีลาวดีเวลานี้แม่รู้ไหมว่าเขาหนีไปจากพระเชตวันแล้วใคว่ตาตาย น, นี้ไปจากพระเีตวันเขาไปไหนแม่รู้ไหมแม่ไม่รู้หรอกเรื่องนี้รู้แต่ว่าเขาหนีไปส่วนจะไปแห่งหนึ่งตำบลใดแม่ไม่รู้อืม อย่าไปหวังอะไรจากเขาเลยลีราวดีถ้าเขารักเจ้าจริงเขาคงศึกมหาเจ้าแล้วให้เขาไปตามทางของเขาเถอะอย่าไปมัวคิดถึงเขาให้เสียเวลาเลยอย่าลืมว่าคุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่ความสาวเมื่อแก่ตัวลงไปแล้วคุณค่าก็ลดลงเจ้าจะกลายเป็นยายแก่ที่ไม่มีใครเลี้ยวแลเมื่อสิ้นบุญแม่แล้วก็เหลือเจ้าคนเดียวเมื่อเจ้าตายอีกคนหนึ่ง วงกระกูลของเราก็ขาดศูนย์เท่านั้นเองแต่งงานสุดนะลูกรักของแม่ไม่จไมีลูกบ้างเลยบังคับจะให้แต่งงานกับชายที่ลูกไม่รักมันเป็นการทรมานจิตใจลูกเป็นหนักลูกจะไม่มีความสุขชีวิตของลูกเห็นจะไม่ยืนยาวเป็นแน่ลูกรักหญิงสาวทุกคนก่อนแต่งงานก็คิดอย่างเจ้าเพราะยังไม่รู้จักมกุกับสามีในอนาคต ยังไม่มีความรักในการรักกันแต่หลังจากแต่งงานแล้วได้ร่วมชีวิตกันแล้วความเห็นอกเห็นใจกันความรักอย่างดูดดื่มก็จะเกิดขึ้นเองเชื่อแม่เถอะแต่เขาเหล่านั้นที่แม่พูดไม่มีความรักอยู่กับใครมาก่อนแต่เรืมีความรักอยู่ก่อนแล้วเอาเถอะถึงมีอยู่แล้วเจ้าก็จะลืมยิ่งเป็นรักชนิดเลื่อนลอยอย่างความรักของเจ้ากับเรวัตตะด้วยแล้ว ก็ยิ่งจะลืมเร็วขึ้นแต่สำหรับความรักของลูกแล้วไม่มีอำนาจใดจะมาทำให้ลูกลืมได้เจ้าเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปเพราะเจ้ายังอ่อนต่อโลกแม่เกิดก่อนได้พบเห็นชีวิตมามากกว่าเจ้าแม่เองอ่ะก่อนจะแต่งงานกับพ่อของเจ้าแม่ก็รักอยู่กับชายคนหนึ่งอยู่เหมือนกันแต่พอแต่งงานกับพ่อเจ้าแล้วไม่นานแม่ก็ลืมเขาซะสนิท แต่งงานกับสุวัฒนากุมาเถอะนะลูกนะแล้วเจ้าจะเห็นว่าคำพูดของแม่นั้ น, นเท็จจริงแค่ไหนจะเช่งไงก็ตามลูกจะไม่แต่งงานกับชายคนนี้เป็นอันขาดแม่จะมาคัาพี่เจ้าแต่งถ้าแม่บังคับลูกจะฆ่าตัวตายเฮ้ลาววดีเอ่อลีลาวดี เจ้าจะไม่ยอมแต่งงานกับสุวัฒนากุมานยังเด็ดขาดใช่ไหมถูกแล้วแม่ลูกจะไม่ยอมแต่งงานกับชายคนนี้ยังเด็ดขาดถ้ามีบังคับลูกก็ขอยอมตายเจ้าไม่แต่งกับสุวัฒนากุมารแล้วเจ้าจะแต่งกับใครละ่ะบอกแม่มาสิลูกถ้าเจ้าเห็นชายคนไหนที่คู่ควรโดยตระกูลโดยทรัพย์ก็บอกมาแม่ยินดีจะจัดการให้ลูกบอกแม่มาหลายครั้งแล้วว่า คุณลูกจะแต่งงานด้วยมีอยู่คนเดียวเท่านั้นคือเรวตัตตแต่ว่าเรวตะนะัตตานะเขาหนีไปจากกรุงสาวัตถีแล้วเขาจะไม่กลับมาหาเจ้าอีกลูกยินดีจะคอยเขาถ้าเขาไม่สึกละ่ะถ้าเขาไม่สึกลูกก็จะอยู่เป็นโสดไปจนตลอดชีวิตฮแม่นหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงถึงจะเปลี่ยนความคิดป้าบาของเจ้าได้กุ้มแม่กุ้มไปที่สุดแล้ว อย่าว่าแต่แม่กุ้งเลยลีลาวดีก็กลุ้มไม่น้อยไปกว่าแม่แต่สินใจไม่ถูกจะเอาอยัางไงดีหัวใจเป็นของพิกษุพเนจรเรวตะแล้วอย่างสมบูรณ์ในชีวิตนี้ไม่สามารถจะรักใครได้อีกแต่พระคุณของแม่นั้นละ่ะจะจัดการยังไงหรือว่จะหันหลังให้อย่างไม่อะไรใยดีพระคุณของแม่กับความรักจะเลือกเอาทางไหน สันติเถิดพระมณีขอบคุณท่านพราหมณ์เชิญท่านพราหมณ์ทั้งแต่วันนี้มาเพื่อฟังข่าวจากท่านหวังว่าคงได้รับข่าวดีข้าพเจ้าไม่อยากจะทําให้ท่านผิดหวังเลยแต่ท่านก็ต้องผิดหวังหมายความว่าข้าพเจ้ายังให้คําตอบแก่ท่านไม่ได้ต้องขอเวลาอีกสักระยะหนึ่งขอท่านจงเห็นใจข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าเห็นใจ เรื่องนี้ต้องใช้เวลาตัดสินใจนานหน่อยแต่นั่นแหละก็พระจ้ก็เห็นใจสุวัฒนกุมารทั้งเห็นใจและก็สงสารเป็นอย่างมากทุกวันนี้สุวัฒนกุมารเฝ้ารอคําตอบอย่างกระวนกระวายใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับขอสราบเหตุผลสักมิตได้ไหมว่าเพราะอะไรท่านจึงให้คําตอบไม่ได้ คือว่าออข้าพเจ้านะยังไม่รู้จักอุปนิสัยใจคอของสุวัฒนากูมารดีพอก็ต้องขอเวลาศึกษาอีกสักระยะหนึ่งเชื่อว่าได้ศึกษานิสัยใจคอได้พอสมควรแล้วก็คงจะมีข่าวดีให้ชื่นใจข้าพเจ้าก็หวังเช่นนั้นเห็นทีต้องขอลาก่อนเชิญท่าน ให้คําตอบจะแต่งงานกับข้าไปเจา้าแล้วใช่ไหมเปล่าเลยสุวัฒนะยังไม่มีคําตอบจากนางยังไม่มีคําตอบอหมายความว่ามารดาของ